หนึ่งเมสเศจหนึ่งสเตตัสหนึ่งคอมเมนต์คุณสร้างเงากรรมชนิดไหนไว้บ้างกับใครคนหนึ่งหรือหลายคนไลน์ไอจีเฟซ o o ๊กอีเมลเว็บบอร์ดล้วนเป็นเครื่องบันทึกกรรมชั้นดีสามารถนำมาใช้อ่านบุญบาปที่คุณเคยทำไว้กับใครคนหนึ่งหรือห ล, หลายคนได้หมดขอเพียงกล้าที่จะย้อนกลับไปอ่านดู แล้วรู้แนววิธีอ่านกรรมเท่านั้นข้อความสนทนาทางเน็ตมีสามประเภทใหญ่คือข้อความที่เจตนาสื่อสารธรรมดาข้อความที่เจตนาทิ้นแทงให้เจ็บใจข้อความที่เจตนายกใจให้รู้สึกดีจริงๆยังมีเจตนาอื่นๆอีกมากเช่น เจตนาหลอกให้หลงเข้าใจผิดเจตนาปรับความเข้าใจให้ถูกเจตนาผลักไสให้พลและอื่นๆแต่เพื่อให้เข้าใจและเห็นนิมิตกรรมของตัวเองง่ายๆเบื้องต้นเราเริ่มจากสามประเภทหลักกันก่อนถ้าอยากรู้ว่าคุณทำบุญทำบาปไว้กับใครเป็นส่วนตัวให้กลับไปอ่านข้อความสนทนายาวๆที่มีกับเขาโดยเฉพาะ ประโยคไหนย่อหน้าใดอ่านแล้วเฉยๆให้ผ่านไปแต่ประโยคไหนย่อหน้าใดอ่านแล้วสะดุดรู้สึกดีร้ายโดดเด่นก็ให้ทำเครื่องหมายพิเศษไว้ถ้าอ่านแล้วรู้สึกถึงการทิมแทงอ่านแล้วรู้สึกแย่อ่านแล้วรู้สึกถึงอารมณ์มืดให้วงไวหรือบันทึกต่างหากไว้ด้วยคำสั้นๆว่าบาป และในทางตรงข้ามหากอ่านแล้วเป็นไปในทางยกใจอ่านแล้วรู้สึกดีให้กำกับไว้ด้วยคำว่าบุญง่ายๆแค่นี้หรือเอาชัดๆกว่านั้นถ้าเห็นว่าทิมแทงมากให้เขียนว่าบาปมากถ้าเห็นว่าทิมแทงน้อยให้เขียนว่าบาปน้อยถ้าเห็นว่ายกใจมากให้เขียนว่าบุญมากถ้าเห็นว่ายกใจน้อย ให้เขียนว่าบุญน้อยพอบันทึกคะแนนบุญบาปไว้เป็นรูปธรรมอ่านจบคุณจะรู้สึกถึงน้ำหนักบุญหรือน้ำหนักบาปซึ่งอาจคลากันในการสนทนาคราวเดียวหรือเทน้ําหนักไปทางบุญหรือทางบาปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดมโนภาพขึ้นมาอย่างแจ่มชัดแค่การคุยกันด้วยอารมณ์ร้ายยาวๆอาจเหมือนมีภาพพุ่งห อ, อกพุ่งดาบได้ บางประโยคเข้าเป้าได้แผลลึกบางยอ่อหน้าพลาดเป้าแค่เฉียวเฉียวแต่ถ้าคุยกันด้วยอารมณ์ดีนานๆก็เกิดภาพเหมือนฉายแสงให้กันและกันตาสว่างบางประโยคเหมือนแสงจ้าอ่านแล้วดีมากบางยอ่อหน้าเหมือนแสงเย็นอ่านแล้วเป็นสุขไม่ต้องคาดหวังอะไรมากไปกว่าการได้บันทึกคำว่าบุญและบาป เพราเพียงเท่านั้นจิตของคุณจะถูกกระตุ้นให้เข้าโหมดรู้สึกถึงบุญรู้สึกถึงบาปได้แล้วเกิดภาพรวมเป็นมืดเป็นสว่างขึ้นมาเองว่าหนึ่งกระทู้หนึ่งสเตตัสหนึ่งคอมเมนต์คุณสร้างเงากรรมชนิดไหนไว้บ้างบางคนอาจมีดีถึงขั้นเห็นภาพเลยทีเดียวว่าผลที่ได้รับคืออย่างไรที่ไปทิ้มแทงหรือยกใจใครอื่นไว้เริ่มต้น คุณอาจรู้สึกกลัวที่จะเผชิญหน้ากับกรรมของตัวเองแต่ถ้าลองสักครั้งจะรู้ตัวตามกรรมและเกิดการตัดสินใจคิดใหม่ทำใหม่ได้จริงๆ